ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวศินอินทเสระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการถึงเพรรื่อนัตนต์ใจทีนี้ก็ก็ต่อไปเลยนะครับว่าการถึงเพรรื่อนันตรใจนี่มีอยู่สองแบบคือแบบพุทธชนแตบบ่พุทธชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนาอยู่ผู้ทุกข์เระว่านา พุถุชนนี้ท่านก็แบ่งออกเป็นสองจำพวกจำพวกบอนี่เรียกว่าอันทะปุถุชนอันทะที่แปลว่าบอดอ น, นะครับอันทะแปลว่าบอดอันทะปุถุชนพุถุชนผู้มืดบอดหรือว่าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีประพฤติทุจริตทางกายวิช า, จาใจอยู่เสมอไม่เห็นโทษของความชั่วไม่เห็นโทษของความผิด พอเนี่อันทัพปุถุชนคนที่บอดใจบอดตาไม่บอดแต่ใจบอดพื้กนกระแสของความดีอันนี้ก็ปุถุชนประเภทขอคือกัลยาณนักปุถุชนอันนี้เป็นปุถุชนชั้นดีนะครับชนชั้นดีมีศีลมีธรรมเว้นทุจริตทางกายวาจาใจ ประพฤติตนอยู่ในสุจริตทางกายประจานใจนี่เรียวกว่ากัญยาณปุถุชนกัญยาณะแปลว่าดีแปลว่าดีแปลว่างามปุถุชนชั้นดีกันในสังคมของเรานี่ถ้ามีปุถุชนชั้นดีให้มากขึ้นสังคมก็เดร้อนน้อยลงความสุขสงบก็จะมีมากขึ้นนะครับ ที่นี้การนับถือพตันตนาใจของปุถุชนระดับก่อนก็มักจะนับถือเพียงในทะเบียนบ้านหรือว่าเป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อไม่รู้จักดวยซ้าไปว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไร่ถ้ารู้จักก็รู้จักแบบเด็กแบบเด็กเด็่อว่าพรตันตนรัยแบบเด็กเด็ก อันนี้ก็เอาไว้พูดทีหลังผมจะกล่าวสรุปอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็พูดเรื่องการถึงพระธรนมไตรไปิฎกทีนี้ส่วนการประพฤติปฏิบัติไม่รู้เลยไม่รู้เอาเลยวันวันหนึ่งไม่เคยนึกถึงพระเลยทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์นึกแต่กันที่จะทำความชั่วกาชนไก ตีไก่โชมวยชนโคไม่รู้ว่าทำอะไรที่มันเปลียดเปียนเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนบ้างเบียดเปียนผู้อื่นบ้างนับถือพระพุทธเจ้าก็เพียงกราบไหว้อิฐปูนทองเหลืองทองแดงแล่เอาพระพุทธรูปไปคุ้มครองตัวในการประพฤติทุจริตก็แขวนท่าเหมือนกันแต่ว่า ไว้คุ้มครองเวลาประพฤทุจริตขอให้พระคุ้มครองจะไปต้นจะไปขมโมยจะไปประพฤฒผิดอะไรต่างๆเอาพระเอาพระให้คุ้มครองก็เดยคิดว่าพระจะคุ้มครองได้เช่นว่าพกพระรอดไปประกอบโจรกรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับมันจะรอดไปอย่างไรพระที่ไหนจะช่วยให้รอดเราเห็น แย่ทุกคนพกโจนในที่สุดก็ถูกจับได้บางคนก็ถูกยิงตายตอนที่อ้มพระอยู่ใยซ้ําไปนี่การนับถือพระธ ต, ตรมใจของปุถุชนระดับก็ถือว่าระดับอันทพาลปุถุชนทีนี้การนับถือพระธ ต, ตรมใจของปุถุชนระดับคอยดีขึ้นถือว่านับถือพระธ ต, ตรมใจอย่างมีปัญญา เราพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านของพระพุทธตังของพระสงค์บ้างพยายามถ่ายแบบของพระพุทธเจ้าพยายามดําเนินตามปฏิปทาของพระสงค์ผู้ปฏิบัติชอบการถึงพระณาจัยแบบนี้มีประโยชน์มากอันนี้มีประโยชน์มากทีนี้เลื่อนมาอีกการถึงพระณาใจแบบอริยชน แต่ปาริยชนถึงพระตนไตรยแบบนี้เป็นการถึงด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไวหวาเป็นอจฉรสัทธาหรือเป็นว่าเป็นอาการวัตติศรัทธาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลมีเหตุผลแต่ว่าได้รู้คุณของพระัตนไตรยแล้วจึงถึงพระัตนไตรยด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนเคลย์ อ, อะไรมาแรกก็ไม่เอา อ, อย่างที่มีเรื่องเล่าว่าคนเป็นโลคเรื้อนคนหนึ่งได้นับถือพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีคนมาบอกว่าให้กล่าวว่าไม่นับถือพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ให้กล่าวให้ถอนความนับถือจากพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วเขาก็จะให้ทรัพย์สมบัติมากมายท่านผู้นั้นบอกว่าไม่เอา ไเ อ, อันนี้ก็าศรัท ธ, ธาไม่หวั่นไหวเป็นอาจารสศรัท ธ, ธาแต่ว่าเคยได้ยินชาวพุทธบางคน เ, เรียนพุทธศาสนามาตั้งเจอะตั้งแต่ดเด็กตั้งจะเป็นเนนเดินพระแล้วก็ไปเรียนปริญญาได้สูงสูงแล้วก็คิดจะบอกคืนพระธนัตใจเทียงแต่ว่าบางศาสนาเอาลาบมาล่อเอาเงินมาล่อมันได้เงินเจะ ผมก็บอกว่าแล้วที่พุทธศาสนาให้มาแล้วไม่คิดถึงบ้างหรืออะไรต่อไปข้างหน้านี้าบางศาสนาอาจจะให้ได้มากแต่ว่าที่พุทธศาสนาได้ให้มาแล้วตั้งแต่ตนไม่คิดถึงบ้างหรื อ, อยางไง เ, เขาก็รู้สึกว่าได้ความคิดนิดหน่อยได้ความคิดจากอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังนับถือพุทธศาสนาดีอยู่แต่ว่า ทีแรกก็อาจะวันไหวแล้วนับถือพุทธนี้จนไปนับถือศาสนาอื่นบางศาสนาก็ให้ทรัพย์สิ น, สนเงินทองเยอะแยะอก็เอาเถอก็แล้วแต่จะคิดทีนี้ถ้าแบบอริยชนนี่ต้องเห็นอริยสัตว์ด้วย เ, เห็นอริยสัตว์ด้วยปัญญาอันชอบด้วยอสารณะอย่างนี้่กเกษมเกษมแล้วก็สูงสุด ดังที่พระพุทธเ จ, จ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณ ะ, ะสาธรณะนี่แปลว่าที่พึ่งก็ได้ครับแปลว่าที่ระลึกก็ได้แปลว่าเป็นไกล้ก็ได้แปลว่าเป็นเป็นผู้นําทางก็ได้พร้อมด้วยเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาชอบเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาชอบ จะเห็น ด, ด้วยปัญญาเนี่ไม่เห็นด้วยความจำไม่ได้เห็นด้วยสัญญาอะไรควรละก็ละได้อะไรควรทำก็ทำได้แั่นั้นเรียกว่าเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาชอบอ่านั่นก็เป็นนั่นเป็นสาระที่กัจเสมเอตั้งโคสารนังเขมังนั่นเป็นสาระที่กเัเสมเอตั้งสาระมุตตะมังอันนั่นเป็นสาระที่สูงสดุดเอตั้งสาระมาคัมมะ ได้อาศัยสถานะนั่นแล้วสัรพทุกข์กาประมุยยจยติกจ็จะพ้นจากทุกขังปวงน่าชื่นใจไหมจะพ้นจากทุกขังปวงที่เกลียดเวียนไหวอยู่ในทุกถึงสถานะที่จะทําให้พ้นทุกขังปวง เ, เวียนไหวอยู่ในทุกกลับไปกลับมาอยู่ในทุกเวียนอยู่ในทุกจมอยู่ในทุก ผู้ใดถึงกับพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้นําทางที่เห็นอริยสัจ ส, สีด้วยปัญญาเชาะนั่นเป็นสถานะที่กเกษมนั่นเป็นสถานะที่อุ ด, ดมใสูงสุดผู้เข้าถึงสถานะอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทางปวงอันนี้ถึงพระตนใจไม่ใช่ทําเล่นนะเป็นเรื่องที่พระอริยะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอาจริงเอาจังก็เอาจริงไม่ใช่ทาเล่น หรือว่าบวชกันเล่นเล่นบวชนาไฟบวชน้าศพสามวันเจ็ดวันบวชทำไมอย่าบวชเลยทำความดีอย่างอื่นดีกว่าทำให้การบวชเป็นการเล่นไปจะน่าเสียดายแล้วก็ยังมีพระพุทธพจนว่าชนเราได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางแล้วจะไม่ไปสู่อบายภูมิ อันนี้ต้องถึงแบบพระอริยะถึงต้องแบบถึงอริยะแบบอริยชนเพราะว่าผู้ที่จะปิดอบายภูมิได้ต้องเป็นพระอริยะขั้นโสดาบันเป็นต้นไปจะดูอปาเยหิจวิปปมุตโตท่านพ้นแล้วจากอบายสีจากอบายสีเรียกว่าถึงแบบอริยชน พระริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปปิดอบายได้แน่นอนแม้จะยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัติบ้างก็ท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุคติภูมิเท่านั้นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็เลือกเกิดได้ด้วยเลือกเกิดจะไปเกิดที่ไหนในตระกูลไหนอย่างไรเกิดเลือกได้สบายไปเจ็ดชาติาเกิดอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชาติ เอกับพีชีระอริยะโสดาบันประเภทเอกับพีชแปลว่ามีพื้นที่คนเดียวก็คือที่คนเดียวแล้วก็พวกที่สองก็โกรังโกละสองสามชาติตามตัวแปลว่าจากตระกูลสู่ตระกูลสองสามชาติแล้วก็พวกที่ปัญญาน้อยที่สุดส ต, ตักขตุปรมะ m a เจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งเห็นว่ายใจเกิดอยู่เจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้าง อย่างไม่เกินแปดชาติเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเสียต่ัดตุกไปลมาเนี่ยก็เรียกว่าได้โซดาบันสักชั้นหนึ่งก็สบายไปเจ็ดชาติแต่ล้วถ้าเป็นปุถุชนเราคติมันไม่แน่นอนอาจจะเป็นเทวดาแล้วก็ไปเปิดเกิดเป็นสัตว์ประชานเกิดเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรไปไปได้ทั้งนั้นเนี่ยสําหรับปุถุชนเนี่ย แม้จะเป็นกัลยาณนปะูิตุชนแล้วก็ตาโอกาสที่จะทำผิดพลาดจนต้องไปอบายภูิก็มีอยู่มีได้เสมอปุถุตชนคติไม่แน่นอนทีนี้การถึงรป้ราบรรจัยที่จะได้ประโยชน์แท้จริงสำหรับปุถุตชนจะต้องประกอบด้วยหน่งเลื่อมใสในเป้นานรใจอย่างแท้จริงจิตใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง สปรารถนาความบริสุทธิ์แห่งตนอัตโนสุทธิกามิณนะปรารถนาความบริสุทธิ์แห่งตนแล้วก็สามปฏิบัติตามโดยชอบโดยถูกต้องอาสัมมาปฏิบัติกันตานะังปรมายาวิสุทธิยาปฏิบัติตามโดยชอบเพื่อความบริสุทธิ์อย่างยิ่งอันนี้เรียกว่าการถึงพัฒนาัยที่จะให้ได้ประโยชน์แท้จริงสําหรับผุุ้ชน จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติคือเลื่อมใสในพรนัตนาใจอย่างแท้จริงพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระสง์นี่ท่านไม่ต้องห่วงพระสงฆ์ในพัตนาใจนั้นคือพระสงฆ์ที่เป็นอริยะที่เป็นอริยสงฆ์ท่านไม่ต้องไปคลางแคลงใจไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปเอเอรังเกียิหรือว่าแหงนหน่ายว่าพระสงฆ์บางจำพวก ในปัจจุบันไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาท่านเหล่านั้นไม่อยู่ในพระธรรมนิจอยู่แล้วว่าเป็นสมมติสงฆ์ที่เป็นผู้เดินตามแต่ว่ายังไม่ถึงระดับของพระธตรมนิจดฉะนั้นการเลื่อมใสในพระธรรตริยของท่านก็ปลุกฝังลงไปให้เต็มที่เลยว่านิวิทัสัตโทนิวิทเปโมมีศรัทธาอย่างมั่นคงมีความรักอย่างมั่นคงในพระธรรมนจ พระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์ผองใสไปแล้วพระธรรมก็เป็นธรรมที่ดีเป็นพระธรรมที่ไม่มีใครรังเกียจโต้แยง้งอนี้พระสงฆ์ที่อยู่ในพระนรรมใจนั่นคือพระอริยะสงฆ์เพราะฉะนั้น เ, เราเลื่อมใสพระธรรมใจได้เต็มที่ไม่ต้องกังไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องมีความรู้สึกแหนงใจอะไรเลยแม้แต่น้อยทียนี้ ผมจะเลื่อนต่อมาอีกยังมีเรื่องที่จะต้องคุยกับท่านผู้ฟังปีเยอะเลยครับเอแพรร์ธนทรัยนี้ใครเป็นคนกล่าวก่อนะทางปาัญหาขึ้นมาว่าใครเป็นคนกล่าวเพราะว่าถ้าจะถามว่าพุทธังสระนังขจามิเป็นต้นเนี่ยเป็นการเปล่งวาจาถึงแพรร์ธนทรัยนี้ใครกล่าวกคค่อนคนอื่นกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อไหรแรกกล่าวเพราะเหตุไร คำตอบเป็น่นี้ครับพระพุทธเจ้าจัดก่อนคนอื่นที่ไหนที่ป่าอิสิปตนะมิคาถายะเมืองพารานัสเมื่อไรเมื่อทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาแล้วมีผู้เลื่อมใสขอบุติกษุเหล่านั้นต้องนำผู้ขอบวดมาเฝ้าพระศาสดาเพื่อประทานอุปสมบทต้องเดินทางกันมาจากที่ไกลจากทิศ ต, ต่าง ทรงเห็นเป็นความลําบากแก่พระสาวกพระแกดผู้เริ่มใส่คอปวดจึงทรงอนุญาตแห้พระสาวกบวชให้เสื้อเองโดยให้เขาปลงผมเล่นนวดปลงผมเล่นนวดบางท่านบอกว่าในบาลีไม่ไม่ได้บอกให้โกนคิ้วเพราะฉะนั้นไม่โกนคิ้วพราลังกาก็ไม่โกนคิ้วแต่เป็นงั้นจริงนะในบาลีบอกอย่างนั้นจริงๆมะสุเกโซโลปนังเนี่ยกาปลงผมเล่นนวด ไม่ได้บอกให้โกนคิ้วไม่ได้บอกให้โกนเคราเหมือนกนไว้เคราได้สิไว้เคราด้วยไว้คิ้วด้วยไว้เคราด้วยเพราะไม่ได้บอกให้โกนเคราบอกให้ปลงผมเล่นหนวดอท่านที่ไม่โกนคิ้วบอกว่าในปารีไม่ได้บอกให้โกนคิ้วเคราก็ไม่ได้บอกให้โกนเหมือนกันก no ็ไว้เครามันถ้าพระจีนเนีไงพราจีนนะพระวัดเจ้าลินนะไว้คิ้วไว้เครายาวไว้จับเล่น ลงผมและนนวดนุ่งผมผ้ากาสายะทำผ้าห่มเฉวียงตาไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายแล้วนั่งเคยอยู่ประคองอัญชลีเปร่งวาจาถึงพระตัณใจว่าพุทธังเสรรงือนังคัจฉามิอเป็นตนสามครั้งอย่างที่ท่านได้ยินในบทสวดเนี่ยพุทธัรรงเสือนำกัจฉามิอพุทธัรรงเสือนำกัจฉามินั่นว่าเป็นเสียงสันสกฤตสัตนสกฤตเขามีตัวสะกด บุตรธรรมเจริญกัจจามิเนี่ยเมื่อกาวจบถึงตติียำปิสังขังสังขังในภาษาสันสกีก็เป็นสังขังเจริญกัจจามิตติยำปิสังขังเจริญกัจจามิก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีอุปสมบทพิธีนี้เรียกว่าติสรณคมณูปสัมปทาแปลว่าการอุปสมบทด้วยการถึงรัตนสาม ด้วยการถึงสาระสาวการถึงสติสาระขมานูปะสัมปทาขมานะอุปสัมปทาครับเป็นสนธิเป็นสารูขมานูปะสัมปทาติสาระขมานูปะสัมปทาท่านผู้ฟังที่เราับเวลาหมดครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอยุดทีเพียงเท่านี้ก่อนยังมีเรื่องพัฒนาใจจะต้องคุยกับท่านอีกหลายครั้ง ขอความสุขสวัสดีเพื่อนมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ